4. อัตตกามะปาริจริยาสิกขาบทภิกษุกล่าวสันเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต้องอาบัตสอย่างคือ 1. กล่าวสันเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามต้องอาบัตสังฆาทิเศสกล่าวสันเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบันดอกต้องอาบัตทุลัจัย 3. กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตว์ดิรฉานต้องอาบัตทุกกฎ